ขานาดจับของใช้ด้วยกันเพราจับนเกิดนั่นแะติดแล้วไวรัสเนี่ยตัวนี้เป็นไวรัสที่นั่นแต่เขาเจ็ดวันเาเจ็ดวันแลกวก็หายละอายุของมันได้เท่านั้นแล้วก็แต่ว่าการติดเนี่ยติดเร็วมากเพราะนั้นทาให้จำเป็นก็ให้อยู่ระวังระว้งไวเพราะนั้นเด็กนักเรียนถ้ามันเข้าโรงเรียนไหนก็ต้องได้ปิดโรงเรียน เพราะมันติด ก, กันไปหมดมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งไวรัสมันมีหลายพันมันมีหลายแนวทุกวันใ้กำลังฮือฮากันาดังอย่างมากๆสืออ e ีโบลาภาษาอีสานเอาไว e อีโบลาเลยเป็นสื่องามากเลยอีสีมาอีอีโบลาอีบุนมาด อ, อันนี้ตั้งชื่อว่ า, วา e อีโบลาเาไป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 เขาลงตามปักเลยอย่างเมื่อวาน15คหาเขาก็ลงตามปักส5คห้าข่้มไม่ได้ลงวันนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะ15คห้าเหมือนกันไม่ผิดทั้งสองอย่างนั่นะถูกทั้งสองอย่างพอสำคัญก็ให้พวกเราอยู่ด้วยกันพร้อมเพียงสมัคีกันมีความเห็นตรงกันมันไม่ผิด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 สรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้และได้เปล่าประโยชน์ที่เข้ามาบวชทั้งทีมาเล่เเล่เลเลื่อนเลืเล่ลลลลลลลลอนหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้ศึกษาแล้วก็ได้นำทำคาสอนหรือความรู้ที่เราได้มาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ได้นาไปประพฤติปฏิบัติ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 เนีคนนั้นใหม่ดูคนนั้นใหม่แล้วเนีก็เพราะไม่เป็นตาซากพราพวกท่านไม่รักษานี่แหละเนี่ยมาต้องรักษาแล้วกจ็จะมีอะไรถ้ารู้จักการวางแผนันน้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะช่วยๆกันส่งพ่อเน้นเรื่องความสะอาดนะแล้วก็เรื่องน้ำให้ช่วยกันดูแล้วก็ที่พักผ้าอาศัยแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละครั้ง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 ทความสะอาดที่มาเหล่านั้นเป็นใครพวกเราท่านทั้งหลายว่าเป็นใครเป็นอริศัตรูของเราใช่ไหยถ้าเป็นอริศัตรูเขาจะมาทำไมเรามาเขามาทำร้ายทำลายใช่ไหมม า, าก็มาส่งเสริมโดยเขาโดยความรักเคารพนับถือเลื่อมใสเขาจึงมามาเราก็ที่นั่นคือทายาทของเราพุทธบริษัท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 พักทีไหนอยู่ยังไงอันไหนที่จะเป็นศีลเป็นธรรมอา้าวหนังสือให้เทศนาให้ m อ3สให้เอาไปฟังเอาไปศึกษาดูนะการที่เท่านั้นแผนที่เท่านี้ให้ฟังฟังดูนะ เ, เรื่องสมสินสมาธิปัญญานี่แหละเขาเราอยู่เบื้องในเราก็ต้องบอกกล่าวแนะนำเขานังสือเทศกันแต่และการฟังพอฟังแล้วก็จด